ขอนอบน้อมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนแล้วก็ขอาการครูบาอาจารย์ทุกรูปขอาการเพื่อนธรรมทุกท่า น, น ท, ที่เดิในธรรมไม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนนะเราก็ระลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณของเราเนาะ ตั้งแต่พระพุทธเจ้านะพระอระหันตสาวกทั้งหลายนะจนกระทั่งถึงหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนะหรือแม้แต่พ่อแม่ของเรานะอย่างพระเองก็เลึกถึงคุณคุณญาติโยมเหมือนกันนะนะถ้าไปบินบาตไม่มีคนใส่บาตรนะก็อดอะไม่ได้ทานอาหารนะ หรือบางทีไม่มีแม่ครัวไม่มีญาติโยมมาทำบุญที่วัดเนี่ยก็รู้สึ ก, กอัตคัดขาดแคลนนะก็อยู่ลำบากไม่มีใครมาถวายจีบอลสร้างกุฏินะสร้างศาลาให้นะก็ลำบากเรียกว่าชีวิตพระเนี่ยเป็นชีวิตที่ต้องต้องเนื่องด้วยผู้อื่นจริงๆน ะ, นะชีวิตพระชีวิตนักบวชเนี่ย ไม่ได้ไปคิดหานะไม่ได้ไปคิดจะทํานั่นทนํานี่นะมีแ ต, ต่ญาโยมต้องช่วยคิดหน่อยถ้าให้พระช่วยคิดเองทําเองหาเองเนี่ยนะชีวิตเราก็ไม่ค่อยต่างจากคารวะนะมันก็เหมือนชีวิตคารวะต้องพยายามที่จะขนไถ่นะหาเงินหาทองหาทางร่ํารวยหาทางเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง วันๆก็เลยเวลาก็เลยหมดไปกับเรื่องพวกนั้นแต่ชีวิตพระเองหรือพวกเราหลายคนเองช่วงนี้ก็ว่างจากการงานก็มาอยู่วัดได้สันบ้างยาวบ้างก็ถือว่าเป็นชีวิตใกล้เคียงกับพระนั่นแหละก็คือชีวิตที่ไม่ต้องไปคิดมากเรื่องการทามาหากินนะเรื่องปัจจัยสี่นะเพราะว่ามีคนสนับสนุนช่วยพวกเรา อย่างเต็มที่นะสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่ามีคนช่วยพวกเราอย่างเต็มที่ในเรื่องปัจจัยสี่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่าเป็นเป็นสปปรัพยยะนะเป็นสิ่งที่พร้อมเพียงนะพร้อมเพียงเพื่ออะไรก็พร้อมเพียงเพื่อให้เราได้บําเพ็ญเพียงเต็มที่นี่แหละนะไม่ใช่พร้อมเพียงเพื่อ ให้เราสบายแบบขี้เกียจขี้ค้านแต่สิ่งที่ญาติโยมหรือพวกเราช่วยช่วยกันในหลายคนก็เพื่อน่แหละเพื่อให้เรามีเวลาได้ภาวนามีเวลาได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่แม้บางคนอาจจะมีการงานทำบ้างนะก็ถือว่าเป็นการงานที่เพื่อการภาวนาเหมือนกันนะ ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรทําอะไรเลยอย่างอื่นนอกจากการเดินจงกรมโดยยกมือท่านจังหวะที่จริงเราก็ยังทําอย่างอื่นได้แต่เราก็ทําไปแล้วก็พยายามทําแบบรู้ตัวรู้ตัวไปด้วยในการกวาดร้านวัดในการล้างจานในการหั่นอาหารในการเดินบินทบาทในการทํางาน ก่อสร้างก็ดีนะงานอะไรต่างๆก็ดีแล้วเราก็เนี่ยรู้รู้ไปด้วยเนะนี่ยเราก็เห็นแบบอย่างจากครูบาอาจารย์เนาะนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อคําเขียนเองท่านก็ก็ทําการงานเรียกว่าไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเหมือนกันนะแต่การทําการงานของหลวงพ่อก็เป็นการทําการงานอย่างเรียกว่ามีสตินะไม่ ไม่พูดคุยหัวเราะสนุกสนานนะแต่ท่านก็ตั้งใจทำการงานนะเพื่อให้งานมันสำเร็จด้วยดีนะแล้วก็จิตของท่านก็เป็นปกติในขณะที่ทำการงานด้วยก็ดีนะหรือมีเวลาว่างนะก็เดินจงกรมนั่งยกมือสร้างจังหวะบ้างนะก็ทำทั้งสองอย่างหลวงพ่อไม่ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนทั้ง ละเลยอีกอย่างหนึ่งนะทาทั้งงานภายนอกทําทั้งงานภายในนะเป็นตัวอย่างให้เราได้ได้เห็นนะเป็นตัวอย่างให้เราได้สัมผัสนะถึงความเย็นใจถึงความสุขใจนะไอ้เรื่องพวกนี้แหละเราก็ระลึกถึงหลวงพ่ออยู่เสมอเสม อ, สมอนะนะอย่างเมื่อวานเองก็หมีไป ไปถ่ายเอกสารที่ถ้ามาไฟหวานโยมที่ร้านถ่ายเอกสารก็ถามอาจารย์โนตคิดฝันหอดของพ่อบอกว่าสัน้นก็ถามฝันถึงน้องพ่อหรนะือเปล่านะบอกก็บอกอไม่ได้ฝันเลยนะแต่บางทีก็คิดถึงยอยูอ่ ไม่มีเวลานอนดับส่วนใหญ่ก็นอนดับสนิทนะตื่นเช้าขึ้นมาไอทีเลยไม่ได้ฝันแต่บางทีก็คิดถึงเยอะนะอย่างบางตอนวันที่หลวงพ่อเสียนะกลับมาที่ห้องคนเดียวอยู่มืดมืดเนาอเคยเห็นหลวงพ่อนอนอยู่บนเตียงพยาบาลเนะเออจิตก็คิดเออไม่มีหลวงพ่อแล้วเนา ะ, ะพอสักพักจิตมันก็ะระลึกได้เออ เราเผลอไปคิดอ่มันก็มันก็ก็เราก็ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มันไม่ให้มันคิดนะมันจะคิดก็คิดนะแต่ให้เราแค่รู้ทันว่าเออมันมันไปคิดแล้วน ะ, นะคิดเห็นเห็นสิ่งที่เช่นเตียงที่หลวงพ่อนอนเออด้วยความคุ้นเคยอยู่ด้วยกันนานเออจิตมันก็ไป อ, อคิดถึง นะคิดถึงจิตแล้วมันก็จิตมันก็แบบใจหายเป็นเว็บแวบหนึ่งนะเวลาคิดแล้วเออหลวงพ่อไม่อยู่อนะ่ะใจมันหายปุ๊บไปพอเรารู้สึกตัวว่าเออใจเราปุบนปะุ๊บไปมันก็ตื่นตัวขึ้นมาแทนที่นะนะจิตพอมันเผลอคิดนะมันเหมือนคนเหมือนเราดับในอะ่นะเหมือนเวลาเราขับรถหรือเวลาเราทําอะไรนะพอมันดับในมันเหมือนลืม ลืมเนื้อลืมตัวพอสติมันมาทันเนี่ยเออมันก็กลับมาตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งอันนี้ยก็คือเรื่องการภาวนาของเราเองก็ดีนะอืเราก็ไม่ห้ามไม่ห้ามความคิดนะไม่กดข่มความคิดนะมันจะคิดมันจะดีใจมันจะเสียใจนะก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตินะ การภาวนาเนี่ยเราอย่าไปพยายามสร้างสร้างภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูดีตลอดหรือพยายามจะสร้างภาพลักษณ์ภายในใจให้มันเฉยๆตลอดนะมันจะเป็นอะไรก็ให้เป็นแบบธรรมชาตินะมันจะคิดก็คิดนะมันจะแสดงอะไรก็ปล่อยให้มันแสดงนะแต่ดักสํสำคัญของเราคือพยายามตามรู้นะ การมีสตินะก็คือการตามรู้รู้ทันนะเวลามันคิดขึ้นมารู้ทันเวลามันสุขขึ้นมารู้ทันเวลามันทุกข์ขึ้นมารู้ทันนะนี่แหละเรียกว่าเป็นจิตตานุ ป, ปัสสนานะมีสติตามรู้จิตนะหรือเวทานานุ ป, ปัสสนามีสติตามรู้เวทานาความสุขเกิดขึ้นมาเรารู้ ความทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้เฉยๆเกิดขึ้นมาเรารู้นะหลวงพ่อคงเขียนถ้าจะเน้นย้ำตัวนี้นะตอนโดยเฉพาะตอนดังหลังนะจะได้ยินหลวงพ่อผููเรื่องเนะ่ะให้มีสติดูจิตให้มีจิตดูจิตนะ่ะทำไมหลวงพ่อใช้สองคำนี้ต่างกันนะก็ไปพิจารณาเองนะนะอะพาะบอกให้มีสติดูจิตให้มีจิตดูจิตนะ่ะ หรือมีวันนึงหลวงพ่อป่วยมีโยมไปนั่งยกมือให้หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเอามานอนที่เตียงข้างนอกนะโยมก็มานั่งยกมือให้หลวงพ่อดูอยู่นานร่วมครึ่งชั่วโมงมันะ้งหลวงพ่อขอกระดาษปากกามาเขียนวันนั้นหลวงพ่อก็เขียนยาวนะเขียนสามหน้านะเขียนเสร็จหลวงพ่อก็เอาไปให้เขาอ่านบอกส่งให้ยโยมโวกเอาให้เขาอ่านด้วย วันนั้นหลวงพ่อก็เขียนน่ะเขียนว่าน่ะการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการคือการมีสติดูจิตนะคือการบำเพ็ญเพียรทางจิตว่านั้นนะไม่ใช่แค่ทําในรูปแบบนะรูปแบบเป็นสิ่งที่สร้างมาทีหลังนะยคล้ายๆวันนั้นหลวงพ่อคงจะเตือนตั้งใจจะเตือนว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คื อ, คอการที่บำเพ็ญเพียรทางจิตไม่ใช่แค่ ความเพียนเพียนทางรูปแบบภายนอกเช่นยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจังกลมนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรทำยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจังกลมนะเราก็ทาแต่เราต้องทำไม่ใช่ทำให้มันซึมซึมทื่อๆเฉยๆหรือบางทีทำแต่เฉพาะเป็นรูปแบบแต่จิตใจล่องลอยจิตใจไปคิดไม่รู้ตัว นะบางทีนะเรายกมือเป็นอัตโนมัติยกไปตามท่าทางเดินไปเป็นอัตโนมัติทําอะไรต่างๆเป็นอัตโนมัติทําไปแล้วเพราะอะไรเพราะใจไม่ตามรู้นะเรายกมือใจก็ไม่ตามรูนะ้ว่ามือมันเคลื่อนไหวร่างกายมันมันเคลื่อนไหวเราเดินก็เหมือนกันไม่รู้ว่าเราเดินนะอันนี้แหละเรียกว่า ทำฟรีๆอย่างที่หลวงพ่อเตือนอาจารย์ตุ้มนะนอนก็นอนฟรีๆเพราะว่าตอนเวลานอนก็หาเรื่องมาคิดกินก็กินฟรีๆก็ตรงนี้แหละนะไม่ใช่ไปกินไม่จ่ายตังนะกินไปแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกํำลังเคี้ยวนะกำลังกืนรสชาติเป็นแบบไหนชอบไม่ชอบเกิดขึ้นในใจรู้ไหมไม่รู้เรี่กได้ว่ากินฟรีๆนะ นอนฟรีๆนอนก็คิดหาเรื่องมาคิดเดินก็เดินฟรีๆนะเหมือนเราเดินเดินไปก็คุยกันไปไม่รู้เน้อรู้ตัวแต่ถ้าเดินไปก็คุยไปแล้วรู้ตัวก็เดินก็คุยได้นะเดินไปบางทีเราก็ไปคิดถึงจุดหมายที่เราจะเดินไปถึงเนี่ยก็เรียกว่าเดินฟรีๆเดินเป็นเฉยๆนะ ไม่ใช่เดินเดินได้เฉยแต่เดินไม่เป็นบางทีใจแล้วก็คิดถึงที่บ้านที่ทำงานนะนี่เรียกว่าเดินฟรีๆเราทำอะไรก็เหมือนกันนะถ้าเราทำฟรีๆก็คือกายทำอะไรใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละเรียกว่าทำฟรีๆนะแปลงฟันล่างหน้ากวาด้านวัดนะไม่แต่สอนคนอื่นเยอะ ถ้าสอนไปแล้วไม่รู้กายรู้ใจตัวของเราเองนี่ก็เรียกว่าสอนพูดไปฟรีฟรๆเฉยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนะเหมือนนกแก้วนกขุนทองนะเขาจำภาษามนุษย์ได้ก็พูดไปแหละแต่มันจะเข้าใจความหมายหรือเปล่านะไม่รู้นะ <c oughs> มันบอกสวัสดีนะมันเรียนเสียงของคนได้แต่มันก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะมันรู้จักภาษารู้จักความหมายจริงๆหรือเปล่านะ มันทําไปฟรีๆเหมือนกันนะนะทําไปก็นะปี้ไป Copy ไปพูดธรรมะก็เหมือนกันพูดได้ Copy ก็ได้นะก็ปี้ครูบาอาจารย์ Copy หนังสือก็ได้แต่เราจะทําได้จริงหรือเปล่านี่เรื่องของเรานะคนอื่นจะว่าเราทําได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขานะเราทําแบบไหนเราก็รู้ตัวของเราเนี่ยแหละเนี่ยหลวงพ่อก็สอนให้เราเนี่ยหละ นะมีสตินะ่ะดูดูกายนะ่ะก็ให้เห็นกายจริงๆนะยกมือก็ให้เห็นการเคลื่อนกันไหวจริงๆเดินก็ให้เห็นจริงๆนะจิตมันเผลอไปคิดจิตมันมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ดูมันนะเรียกว่าดูทั้งสองอย่างนั่นแหละนะดูกายดูใจแต่บางทีท่านย้ำเรื่องการมีสติดูจิตนะ่ะ การเปลี่ยนทางจิตเพราะว่านะท่านอาจจะเห็นว่าบางคนติดแค่รูปแบบติดเพียงแค่การทำความเพียรภายนอกแต่ที่จริงที่สำคัญต้องนะมีสติดูดูกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยนะกิเลสมันเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันเราจะละมันไม่ได้นะเพราะที่จริงนะจะพูดจะทำอะไรเนี่ยก็เพราะ มีจิตเนี่ยแหละมีใจนะเหมือนที่เราได้สวดนะมะโนโบุพังเข้ามาธรรมามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วที่ใจสำเร็จก็คือว่ามันจะทำอะไรก็ใจนะมันสั่งนะจะทำดีก็ใจเป็นคนบอกให้ทำจะทำชั่ว เขใจบอกให้ทํานะถ้าใจไม่บอกมันก็ไม่สําเร็จนะใจในที่นี้อาจจะเป็นใจที่มีกิเลสหรือเป็นใจที่รู้ตัวนะมันก็สําเร็จได้ทั้งสองอย่างแหละถ้าเมื่อไรที่เรามีใจที่มีกิเลสเป็นคนสั่งนะก็อาจจะสั่งให้พูดชั่วคิดชั่วทําชั่วนั่นแหละมันก็สั่งนะแต่ถ้าเรามีสตินะเป็นตัวสั่ง ก็คิดดีพูดดีทดําดีอันเนี้ยมันก็สั่งนะเหมือนเราทําการทํางานอ่ะเอเราเห็นเลเออถ้าเรามีสติเป็นตัวนําเออการทํามันก็ไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะการงานก็สําเร็จได้แต่ถ้าขาดสติเออตัวเราเองก็ทุกนะตัวเราเองก็หลงเพื่อน ก็ลงตามตามเราไปด้วยนะเช่นไปพูดคุยพูดแย่กันเอา้าเพื่อนเขาก็เผลอแย่ไปถูกใจก็หัวเลาะแย่ไปไม่ถูกใจก็เจ็บใจนะโกรธกันใช่ไมอันเนี้ยพอเราขาดสตินะแย่กันไปเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยพราะาพอเราขาดสติก็ทำให้คนอื่นอาจจะขาดสติไปได้ แต่พอเราเออบางทีตัวเราพูดเตือนเพื่อนนะหรือทําเตือนเพื่อนคนที่มีปัญญาเขาก็จะรู้เออไม่โกรธอ่แล้วก็ไม่หลงแต่คนขาดปัญญาก็บางทีก็ไม่ชอบคนเตือนเอ่ก็อาจจะโกรธก็มีเอ่แต่ที่แน่ๆ่เออเราไม่เราไม่ไมทําให้ตัวเราทุกข์ไม่ทําให้ตัวเราหลง และพยายามช่วยผู้อื่นให้เขาไม่ทุกข์ให้เขาไม่ลงแต่เราก็จะช่วยได้ขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันอย่างหลวงพ่อเองบางทีท่านก็พูดบางทีท่านก็สอนด้วยการไม่พูดนะให้เราได้คิดเองให้เราได้รู้ตัวเองแต่จริงต้นนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะคนะือท่านสอนให้เรารู้จักพึ่งตัวเองนะพึ่งหลวงพ่อก็พึ่งได้นะ แต่ก็ไม่ได้พึ่งได้ตลอดเวลาเนาะเหมือนอย่างตอนนี้ร่างกายหลวงพ่อก็ไม่อยู่ที่วัดแล้วนะก็พึ่งคาพูดพึ่งการกระทําจากหลวงพ่อไม่ได้นะเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองนี่แหละต้องมีสติในการดูกายดูใจของเราเองเรียกว่าพึ่งตัวเองนะเอาคําสอนของท่านมาพึ่งได้นะแต่เอาตัวท่านมาพึ่งไม่ได้นะอ่ ถ้าจะพึ่งก็ต้องพึ่งให้ถูกก็คือพึ่งธรรมะพึ่งคําส่งสอนที่ท่านได้สอนไว้เพื่อให้เราได้มาพึ่งพึ่งกายพึ่งใจของเราเองเนี่ยแหละนะพระเจ้าท่านบอกท่านเป็นเพียงแค่ผู้บอกแต่ท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้ที่ที่ทําเองนะคิดว่าพวกเราเนาะเป็นผู้ที่มีโอกาสดีนะ ได้ยินคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นะได้มีการพบเห็นครูบาอาจารย์นะท่านก็บอกท่านก็สอนมาหลายสิบปีแล้วนะสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของเรานะอาตมาเองก็มีหน้าที่ที่ต้องเดินทางต่อเหมือนกันนะต้องเดินทางต่อในเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ได้สอนนะญาติยโยมก็เดินทางต่อ เป็นเพื่อนกันเนา ะ, ะพ่อแม่ไม่อยู่ก็แค่เป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเดินไปนก็อบอุ่นใจดีนะสุกโกโตก็ยังมีผู้เดินทางคนนี้เยอะก็อุ่นใจบางทีก็เห็นนะบางทีหลังทําวัดนะหลังทําวัดเช้าน้องทําวัดเย็นเดินกลับกวดไปทางนี้นะเห็นญาติโยมเดินกันไปเป็นแถวรู้สึก อ, อุ่นใจเหมือนกันเหมือนคล้ายๆมันเป็นเพื่อนร่วมทาง เดินเื่อมทางบางทีก็ไม่ใช่ไฟฉายขอไฟฉายเพื่อนบ้างนีะ่ะมันอุ่นใจเหมือนเรามีเพื่อนร่วมภาวนาเหมือนกันนะก็อุ่นใจนะคนนี้ขยันปฏิบัติธรรมคนนี้ขยัน ร, รมอาหารก็มีคนนี้ขยันกวาดดานวัดก็มีคนนี้ขยันซ่อมแซมเสนาสนะไฟฟ้าประปาที่ชำรุด เออก็สุดถึงความขยันร่วมมือกันคนละคนละด้านคนละด้านเนา ะ, นะก็อุ่นใจนะก็อุ่นใจเออล้วก็ทำของเราไปบางส่วนก็ทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะอน้ามีมือสองขาสองหัวหนึ่งนะก็ทำเท่าที่ทำได้แต่ก็ต้องพวกเราช่วยกันนะละนะถึงจะทำให้อ่าวัดวาอารามหรือวัดศาสนามัน ยังคงอยู่จเจริญรุ่งเรืองได้ก็ก็ฝากไว้นะให้พวกเราพยายามช่วยกันนะช่วยทั้งกิจภายนอกกิจการงานของวัดงานของสังคมต่างๆแต่ก็ที่สําคัญก็อย่าลืมกิจการงานภายในของเราเองนะเราช่วยตัวเราเองให้มากที่สุดนะครูบาอาจารย์ก็ช่วยนะก็ช่วยเท่าที่ท่านทําได้แต่เราต้องช่วยในการดูกาย ในการรูใจของเราบ่อยๆนะไม่ห้ามอารมณ์ไม่ห้ามความคิดแต่ให้มีสติคอยรู้ทันเวลามันเผลอไปคิดนะหรือมีอารมณ์เกิดขึ้นมาหรือนะเราจะทำการงานอะไรก็แล้วแต่นะที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้มีสติคอยรู้กายในการทำนะอันนี้แหละนะเป็นหลักสาคัญเป็นเหตุเป็นเหตุที่นะ เหตุในการเดินทางเหตุในการเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามรอยหลวงพ่อเทียนเดินตามรอยหลวงพ่อคาเขียนนะเราก็จะได้สมชื่อว่าเป็นลูกศิษยนะ์ศิษย์ที่มีครูศิษย์ที่มีอาจารย์ศิษย์ที่มีสํานักนะเดียวกันนะก็ขอนะทุกท่านจะเดินในธรรมยิ่งขึ้นไป